สวดมนต์ไม่ว่าบทไหนอันนี้สงแรงเพียงใดหากสวดละฟุ้งซ่านหรือเกิดสมาธิแบบแข็งแข็งแม้แผ่บุญให้ใครเขาก็ไม่รู้สึกนุ่มนวลบทสวดไหนทำให้คนเมตตาสวดมนต์จะบทไหนก็ตามหากขึ้นต้นสวดหากระหว่างสวดหรือหากหลังสวดจบเกิดความนุ่มนวลเป็นสุข มีความรู้สึกสว่างกว้างอันนั้นดีแน่ๆเพราะจิตแผ่ออกเป็นกระแสเมตตาซึ่งบทที่คนจะรู้สึกอย่างนั้นกันมากที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรเกินบทอิติปิโสอันเป็นพุทธพจน์หมายเหตุผู้อ่านในที่นี้ก็ควรเข้าใจคำแปลด้วยนะครับในทางกลับกันจะสวดบทไหนรารจะประชาสัมพันธ์ถึงอานิสงส์ไว้อย่างไร หากสวดแล้วฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยอัตตาหรือเกิดสมาธิแบบแข็งๆไร้ประกายเมตตาอันนั้นเมื่อแผ่บุญให้ใครเขาก็จะไม่รู้สึกนุ่มนวลในแบบรักเห็นดูกับเราคืออาจรู้สึกคลั่งเกรงได้นะครับเพราะสมาธิอันเกิดจากบทสวดเป็นของขลังมีอำนาจในตัวแต่ไม่ใช่ความรักความอบอุ่นคุณคงเคยมีประสบการณ์มาบ้าง ยำเกรงแต่ไม่กันเองเหมือนรักแต่ไม่สุขที่จะอยู่ใกล้อย่างไรก็อย่างนั้นแหละ